ถ้าเราประมาณการทุกวันนี้ก็แล้วกันว่าอุกกาบาตเนี่ยตกเข้ามาในโลกมากเท่าไหร่ใน1วันนะฮะยีิบสี่ชั่วโมงนะทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยอุกอกาบาตรวมๆแล้วตกเข้ามาในโลกเราประมาณร100อยตันนะ โ, <ฮ>โดยเฉลีย่ยเยอะนะเยอะพอเห็นมันเหมือนเป็นหินนะแต่จริงๆมันคือกล่องหีบที่เก็บความลับของระบบสุริยะในช่วงต้นๆเอาไว้เป็นไปได้นะว่าถ้าอุกกาบาตไม่ชนโลกเนี่ย สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ยากมากที่จะขึ้นมาโผล่ออกมาจากรูเดลโนเสาร์ตัวมันใหญ่อ่ะอาหารมันไม่เยอะพอมันก็สูญพันธุ์หมดแต่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพอมันรอดมาได้มันก็เป็นบนรรพบุรุษของมนุษย์เนาะดังนั้นอุกบาทลูกนั้นจริงๆเราก็ต้องขอบคุณเขานะไม่งั้นมนุษย์เราก็อาจจะอาจจะไม่ได้มาครองโลกอย่างทุกวันนี้ you're listening to the standard podcast the eye opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิก พอดแคสต์ Podcast, วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวถ้าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกน้อยใจนะคะก็อาจจะเป็นอุกบาทค่ะเพราะว่า ในขณะที fol ne fol fit, so them, ่มนุษย์บนโลกเนี่ยเฝ้ารอคอยนะคะว่าฝนดาวตกนั่นนู <y <y ่นนี่มันจะมาเมื่อไหร่แล้วรอคอยการมาถึงของมันแต่ว่าอุกบาตเนี่ยเวลาอยู่ในหนังที่ไรก็เป็นหายันนะคะอยู่ในหนังที่ไรก็เป็นเรื่องที่แบบแปลกประหลาดแต่ว่าวันนี้ใดๆในโลกรนฟิสิกส์ขออยู่เคียงข้างอุกบาทไปด้วยกันนะคะอยู่กับฟางรัฐโรจิพนาค่ะและผมปองแปงอัดว่ารงจันทมาศค่ะอุกบาทมาจากไหนพี่ปองแปงเฮ้ยเป็นการเกินที่ดีนะตะกี้ไม่จริงๆแป๊บนึงก่อนจะมาจากไหนเพราะว่าเออหนัหนังต่างเนี่ย อุกกาบาตเป็นตัวร้ายใช่ไม่มีใครแบบมาอีกทีรอบปีเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมอ่ะชอบอุกกาบาตนะชอบอุกกาบาตเหรใช่เพราะว่าอุกกาบาตเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมชอบแต่เอาเป็นว่ามันเป็นของที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยเอามาขายได้ด้วยอ่าไปทางการลงทุนครับโอเคงั้นเราเปิดแบบนี่ไหมคะว่าอุกกาบาตมันมันมาจากไหนมาจากไหนเออตอบแบบ เร็วก่อนนะมาจากนอกโลกอืมอ่าแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันมาจากนอกโลกโ<อ>ไม่ได้มาจากแม่น้ําของประเทศฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยนึกออกปะอ่าโอเคถามได้ดีคืออุกกาบาตเนี่ยรู้ได้ไงว่ามาจากนอกโลกทําไมเราไม่คิดว่ามันเป็นหินที่มาจากบนโลกหรื อ, อหลายๆอุกกาบาตเราไม่ได้เห็นหลุมอุกกาบาตหลายๆอุกกาบาตต่อให้มันตอนที่ตกลงมามีหลุมอุกกาบาตแต่ผ่านไปผ่านไ ป, นไปหลุมมันอาจจะเลือนหายไปตามฝนตามอะไร เรามั่นใจได้ไงว่ามาจากนอกโลกเรามั่นใจได้ยังไงว่าอุกกาบาต ท, ที่เราเจอมันไม่ได้มาจากบางทีมันอาจจะเกิดบนโลกแล้วพวกเขาไฟดีดมันขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็ตกกลับลงลงมารหรือเปล่า ม, มีหลายปรากฏการณ์ที่พอเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ว่าตอบแบบเร็วๆก็คือเรามั่นใจได้ว่าอุกกาบาตไม่มาจากนอกโลกส่วนหนึ่งก็ถ้าไม่เห็นหลุมนะฮะเห็นหลุมนี่ชัวๆอยู่ละแต่ว่าถ้าไม่เห็นหลุมหรืออะไรก็ตามสุดท้ายเราก็มั่นใจว่าอุกกาบัติทุกก้อเนี่ยมาจากนอกโลกเพราะธรรมชาติหรือองค์ประกอบของมันเนี่ย แตกต่างไปจากหินบนโลกลักษณะของผลึกองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างจากหินบนโลกที่มีกระบวนการทางธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลมันอยู่ตลอดพอสมควรดังนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอุกกาบาตเนี่ยเป็นผู้ที่มาจากนอกโลกค่ะ<า>อย่างแน่นอน<า>ซึ่งอันนี้ผมบอกนิดนึงว่ามันคืออะไรเนาะหลายๆคนอาจจะสับสนมันกับอุกกาบาตดาวเคราะหน้อยดาวตกอะไรแบบเนี้ยอืมอืมจินตนาการอย่างนี้ครับจริงๆไม่ต้องจินตนาการก็ได้ไปเที่ยว ตามอุทยานแห่งชาติหรืออะไรแบบนี้ไปเที่ยวป่าที่ อ, อะไรกางเต็นต์ดูดาวตอนกลางคืนถ้าเราเห็นอะไรสักอย่างที่มันเคลื่อนบนท้องฟ้ามาแบบไม่กระพริบนะอ่าเป็นเส้นมาเลยถ้าเส้นนั้นอะ่ะมันไม่ได้สว่างนะมันอาจจะเป็นดาวเทียมที่มันสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มามนะครับแต่ถ้ามันสว่างมากเลยเป็นจุดสว่างแบบเคลื่อนมาเป็นเส้นตรงนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นสถานีอว ก, กาศนานาชาติหรือ ISS S. อันนี้สว่างมากเลยนะะผมเห็นครั้งแรกตอนไปที่ดอยอินทนนท์ตอนกลางคืนก็ไปทํางานนะตกใจสว่างแบบสว่างมากเลยแล้วก็ถ้ามันกระพริบมันจะเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นดาวตกเหรอคะถ้ามันกระพริบนะครับเป็นเครื่องบินอโอเคโอเคก็ต้องมีสัญญาณนะคิดไปไกลเงินโอเคมันเครือนแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ได้ปรากฏเป็นเส้นแบบยาวๆให้เห็นแต่ว่าแป๊บเดียวแล้วหายไปอื ไอ้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นดาวตกซึ่งซึ่งดาวตกเนี่ยมันตกลงถึงพื้นโลกจริงๆริงไหมคะส่วนใหญ่มันจะพยายามจะตกเข้ามาถึงคือดาวตกมันก็เป็นวัตถุที่อยู่นอกโลกนะฮะและมันหลุดเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกแต่ว่ามันเสียดสีนะครับกับชั้นบรรยากาศโลกจนเกิดความร้อนแล้วมันก็ร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมานะแล้วมันไม่ทันจะถึงพื้นโลกหรอก ใช่ส่วนใหญ่ดาวตกผีพุ่งใต้อะไรพวกนี้ไม่ถึงพื้นโลกะก็เผาไหมในชั้นบรรยากาศโลกหมดเลยใช่ค่ะแต่ถ้ามันใหญ่มากแล้วตกมาถึงพื้นโลกเนี่ยเราจะเรียกสิ่งที่ตกมาถึงพื้นโลกเนี่ยว่าอุกกาบาตเรียกลมรัวหมดเลยอืไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามตกลงมาพึ่งถ้าถึงพื้นโลกปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกว่าอุกกาบาตคือพอดีเราไม่ยังไม่เคยเห็นแบบยานเบจิต้ามันตกมาอดังนั้นอะไรที่ตกมางพื้นโลกทุกวันนี้ ก, ก, าาก็ร้กะบาดหมดมนะครับใช่ตอนนี้แล้วเมื่อกี้มีดาวเคราะห์น้อยอันนี้คื อ, อยังไงคะอ๋อดาวเคราะห์น้อยเนี่ยจะเป็นพวกวัตถุที่ส่วนใหญ่แล้วมีขนาดใหญ่นะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสแล้วก็มีกระจายอยู่รอบๆอบลยแต่ว่าพวกนี้ขนาดมันใหญ่มากพวกนี้ก็จะเป็นวัตถุที่อยู่นอกโลกนะฮะและมันไม่ค่อยจะตกมาถึงมาเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกง่ายนัก ะนะครับไอ้พวกนี้ก็จะอยู่นอกโลกเป็นหลักเลยนะส่วนใหญ่ที่มันตกเข้ามาขนาดก็จะประมาณเม็ดทรายนะไอ้อพวกนี้เผาไหม้เป็นดาวตกหมดมแต่ถ้ามันใหญ่เท่าแบบกําปั้นมันก็จะสว่างขึ้นไปอีกมันจะเป็นดาวตกใหญ่ที่เรียกว่าไฟบอลอันนี้อันนี้ก็จะบางทีเห็นควันเห็นอะไรเลยหนะาดูยากหน่อยแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นแบบใหญ่มากๆเี้ยก็ตกมาถึงพื้นโลกได้ก็เรียกอุกกาบาต แต่ถ้าดาวเคราะหน้อย<ม>คือถ้ามันยังไม่ตกเข้ามาก็จะเรียกดาวเคราะหน<ม>้อยพอตกเข้ามาแล้วเรียกถึงพื้นโลกเรียกอุกบาท <C han> ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนจะสงสัยเหมือนฟังว่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรตกถึงพื้นโลกก็จะเรียกว่าอุกบาทแต่จริงๆมันมีแค่แบบเดียวหรือว่ามันมีนมหลากหลายรูปแบบไหมคะตัวอุกบาทแหล่งที่มาเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอุกบาทก็จะมาจากพวกดาวเคราะห<ม>น้อยนะ<ม>คือดาวเคราะหน้อยนี่แหละเป็นเป็นต้นกําเนิดของอุกบาตนะครับคือบางทีดาวเคราะหน้อยเนี่ย เราเรียนมานะระบบสุริยะมันจะมีดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสแล้วมีแถบดาวเคราะน้อยแต่แถบดาวเคราะน้อยเนี่ยหมายถึงมันอยู่นเยอะที่สุดแต่ที่อื่นมันก็มีไอ้พวกนี้มันบางทีมันก็ตกเข้ามาในโลกบ้างนะกระจายอยู่มันก็ตกเข้ามาในโลกบ้างเป็นอุกบาตทแล้วก็บางทีอุกบาทที่เจอก็อาจจะมาจากดวงจันทร์ก็มีเป็นหินบนดวงจันทร์ตกเข้ามาในโลกอันนี้หายากมากบางทีก็มาจากชิ้นส่วนของหินบนดาวอังคารก็มีอคือวิเคราะห์มาแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นหินจากดาวอังคารจากหินบาดวงจันทร์ พวนี้ถามว่ามันกระเด็นมาได้ยังไงคําตอบคือเขาเชื่อกันว่าสมัยก่อนนะครับเป็นทฤษฎีว่าดวงจันทร์กับดวงคาวมันก็โดเคยโดนชนเยอะอย่างดวงจันทร์เนี่ยเห็นชัดๆก็มีหลุมในปหมนดังนั้นเขาโดนชนแน่ๆพอโดนชนปุ๊บไอเศษพวกนี้มันก็กระเด็นออกม า, ออกมาใช่ทีนี้เศษพวกนี้ถ้ามันใหญ่พอแล้วตกมาถึงพื้นโลกมันก็จะอยู่ในรูปอุกกาบาต แต่มันก็จะเป็นอุกกาบาตชนิดที่มาจากดวงจันทร์อุกกาบาตชนิดที่มาจากดาวอังคารซึ่งแบบงสองแบบนี้ยไม่ค่อยเจอเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอุกกาบาตชนิดดาวเคราะห์น้อยมากกว่าออืแต่ถ้าเราแบ่งตามองค์ประกอบของมันค่ะเฮ้ยตอนนี้มันฟังดูแบบเครียดไปไหมอะเหมือนเลคเชอร์เลยอยากรู้อยากรู้โอเคคือถ้าแบ่งตามองค์ประกอบมันล่ะอ่าแบ่งตามองค์ประกอบว่าแบบเอ้ยเนื้อเนื้อมันเนี่ยเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นสามชนิด ชนิดที่1เรียกอุกบาทหินนะฮะก็มีองค์ประกอบคล้ายๆเห็นบนโลกเป็นพวกซิลิเกตแล้วก็อุกบาทเหล็กองค์ประกอบหลักๆเป็นเลยครับเหล็กถูกต้องเก่งมากมแล้วก็อย่างที่3คืออุกบาทชนิดหินบนเหล็กก็ต้องมีอะไรผสมอะไรครับหินกับเหล็กถูกต้องครับเนี่ยเหมือนเหล็กปสมโอเคทีนี้ส่วนใหญ่แล้วที่มันตกเข้ามาในโลกเนี่ยมักจะเป็นอุกบาทหินซะเยอะอนะแน่นอนหินก็หินก็ทั่วไปเพลนๆตกเข้ามาซะเยอะออแต่ที่เราเจอจริงๆบนพื้นโลกมักจะเป็นเหล็ก เพราะอะไรเพราะอุกบาตหินผาตกมายังโลกเราแล้วเนี่ยเราแยกกับหินไม่ค่อยออกอ๋อมันคล้ายกับหินที่อยู่บนพื้นโลกใช่แต่เรารู้ว่ามันตกมาเยอะด้วยข้อมูลเชิงสถิติตและข้อมูลเชิงสังเกตการสมมุติว่าถ้าเรามองไปเนี่ยสเปกตรัมอะไรต่างๆนี่หินชัดๆเลยแต่ตกมาแล้วอยู่ตรงไหนไม่ไมไมรู้ล้นะแต่พอมาหาเจอหรือเก็บมาขายเก็บมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราเจอแบบเหล็กซะเยอะ อ, อะหินบนเหล็กนิดน้อยมากถือว่าเป็นแร์เลยนะ ซึ่งอุกกาบาตเหล่านี้แหละมีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตบนโลกในหลายแง่ด้วยนะถ้าถ้าเรามองกันปกติมันก็เหมือนกับว่ามันก็ตกลงมาแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆมันกระทบกับเราโอ้ส่งผลต่ออรารยธรรมมนุษย์ด้วยนะครับเอออุกกาบาตเนี่ยถ้าเป็นชนิดเหล็กเนี่ยนะมันมีความสำคัญต่ออรารยธรรมของมนุษย์มากเพราะว่า ในยุคที่มนุษย์เรายุคโบราณจริงๆอะ่ะก่อนยุคประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยมนุษย์เราแบบยังถลุงเหล็กไม่เป็นคือเหล็กเนี่ยน้องฟังลองนึกภาพนะครับคำว่าเหล็กที่เราใช้งานกันตามอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กเคาะเนี่ยนะ ม, มันถูกถลุงออกมาจากแร่คือไปขุดออกมาเป็นก้อนคล้ายๆดินเป็นก้อนหินก้อนอะไรพวกเนี้ยเหล็กมันฝังแฝงอยู่ในนั้นนิดๆหน่อยๆต้องไปถลุงคือแยกเอาเหล็กออกมาให้บริสุทธิ์มันถึงจะเป็นเหล็กอย่างที่เราใช้งานกันแต่คนโบราณเรายังทําแบบนั้นไม่เป็นทําไง หลายๆอุปกรณ์เราเอาอุกบาทเหล็กนี่แหละซึ่งมันเป็นเหล็กที่ค่อนข้างบริสุทธิ์มากแล้วมันตกมาจากท้องฟ้าเนี่ยอเอามาใช้ทําพวกอาวุธบ้างอุปกรณ์ต่างๆในเชิงศาสนาบ้างอะไรบ้างนะครับไอ้พวกนี้เราก็เจอในหลายอารยธรรมโบราณทั้งจีนโบราณทั้งอะไรพวกนี้อ๋อก็คือไม่ต้องไปทันหลงเองแต่ว่าเอาเนี่ยแหละอุกบาทที่เป็นเหล็กแล้วเนี่ยมาทำมาทำ หรืออาจจะจริงๆเขาก็อาจจะถลุงได้แต่มันต้องมีความบริสุทธิ์สูงสักหน่อย ค, คือถลุงซับซ้อนมากไม่ได้นะก็ต้องเป็นเหล็กที่ค่อนทางบริสุทธิ์แต่มันได้น้อยแต่อุกบาตเนี่ยกลายเป็นแหล่งเหล็กสําคัญมากที่มนุษย์เอามาใช้งานได้อ๋อแปลว่าจริงๆแล้วอุกบาทมันมาบ่อยมาเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะคือโลกมันเกิดมานานแล้วครับมันก็จะมีอุกบาทตกมานานแล้วเนอะแต่ถ้าเราประมาณการทุกวันนี้ก็แล้วกันว่าอุกบาตเนี่ยตกเข้ามาในโลกมากเท่าไหร่ ในหนวันนะฮะยีิบสี่ชั่วโมงนะทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยอุกอกาบาตรวมๆแล้วตกเข้ามาในโลกเราประมาณร100อยตันนะ โ, <ฮ>โดยเฉลี่ยเยอะนะเยอะต่อวันเนาะต่อวันเยอะเลยแต่มวลโลกเราเยอะมากมันไม่ได้ทําให้โลกเราอ้วนขึ้นขนาดนั้นมันก็ร้อยตันเมื่อเทียบกับมวลโลกก็ไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้นอย่างที่บอกทั้งจีนโบราณอียิปต์โบราณอะไรพวกนี้เขาก็เอาพวกอุกกาบาตเหล่านี้มาใช้ทําอาวุธอุปกรณ์จนถึงพวกความเชื่อทางศาสนาได้และ หลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอุกาบาทเหล็กบางชนิดนะฮะถ้าเราอุกาบาทมาตั้งเนี่ยผมออกจะให้น้องๆสาธิตอย่างนี้ว่าถ้ามีอุกาบาทอยู่เนี่ยเราเอานิ้วไปถูๆอะฮะอย่ามันจะมาแนวแบบเกิดเล็กอะไรไม่ไมใช่มันจะมันจะมีกลิ่นเหล็กติดอยู่มันจะเหม็น<อ>เหล็กมันจะเหม็นคาวเหล็กเลยค่ะซึ่งอุกาบาตทนี้มันเป็นเหล็กและอย่างที่2คือถ้าผมมีอุกาบาทก้อนเท่าแท็บเล็ตอันนี้เนี่ยนะก้อนใหญ่ๆประมาณนี้อยู่ หลายๆที่เขาก็มักจะโชว์เฉยๆโดยที่ไม่ล่ามโซ่ไว้แล้วก็ไม่ต้องกลัวโดนขโมยมเพราะมันหนั ก, นกมาก<อ>หนักมากๆคือต้องเอาผู้ชายแบบสองสาคนยกอะแบบห<อ>นักมากนะฮะมเออเันเป็นเหล็กและหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าอุกาบาทเหล็กบางชนิดถ้าเราตัดฝานมันคือหมายความว่ามันเป็นก้อนเหล็กใช่มค่ะแล้วก็ตัดครึ่งมันอย่างเงี้ยให้มันเป็นพื้นที่หน้าตัด อ, ะอ่ะอแล้วเอาไอ้ตรงที่เป็นพื้นที่เนี่ยมาขัดด้วยกรดอ่อนๆดูอมันจะเป็นแพทเทิร์นที่สวยมาก เขาเรียกว่าวิตแมนสตาเทนแพทเทิร์นซึ่งมันเกิดจากการที่อุกกาบาตมันมีธรรมชาติองค์ประกอบแบบของมันแล้วมันเย็นตัวลงในแบบของมันมันก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากหินบนโลกนะครับคนที่คนพบก็จะเป็นนักแร่วิทยาชาวออสเตรียพวกนี้นะก็ตั้งตามชื่อไปอันนี้เป็นเรื่องของอุกกาบาตเหล็กค่ะแล้วจริงๆนักฟิสิก์ศึกษาอะไรจากอุกกาบาตแล้วมันเอามาใช้กับโลกไหมคะน้องฟังรู้ไหมว่าอุกกาบาตเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มาจากนอกโลกเนาะและรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเหรอใช่การเกิดของก้อนอุกกาบาตเนี่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะโดยทฤษฎีนะซึ่งน่าเชื่อถือมากเรารู้เลยละ่ะว่าอุกกาบาตเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับระบบสุริยะหรือโลกเราโอ้ก็คือนานมากๆมากๆนานมากก่อนเราอีกอมก่อ น, น, นอารยธรรมนมนุษย์เกิดมาพร้อมๆโลกดังนั้นมันเกิดมานานมากและ มันเกิดอยู่อย่างนั้นนะฮะพวกดาวเคราะน้อยอะ่ะเอางี้ดีกว่าพวกดาวเคราะน้อยอะ่ะมันเกิดมานานมากพร้อมๆโลกเราคือตอนระบบสุริยะเกิดมันเกิดมาพร้อมๆกันนะมันเป็นจานคล้ายๆกับเคลีบอะ่ะแล้วมันก็เย็นตัวลงเนาะนก็เป็นก้อนขึ้นฟอร์มขึ้นมาพร้อมๆกันแต่โลกของเราอะ่ะมันมีธรณีวิทยาคอยเปลี่ยนแปลงหินตลอดหมายถึงหินบนโลกของเราที่เจอเนี่ยจะหาหินเก่าแบบนั้นอะยากมากเลยแ้าไม่มีหรอกเพราะมันเจอฝนมั่งแมกม่าภูเขาไฟระเบิดอะไรวุ่นวายมันเปลี่ยนตลอด แต่อุกกาบาตเนี่ยมันเหมือนของที่สตาร์ข้อมูลของระบบสุริยะยุคโบราณเอาไว้ oh. ตอนนั้นถามว่ามันสําคัญยังไงแล้วเขาศึกษาอะไรอถ้าเราอยากรู้ธรรมชาติว่าระบบสุริยะในช่วงแรกเนี่ยมีธรรมชาติอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มักจะเอาอุกกาบาตนี่แหละมาศึกษาวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆในนั้นรวมทั้งเวลาเราจะหาอายุของโลกว่าโลกเกิดมานานเท่าไหร่เราก็ใช่หินอุกกาบาตนี่แหละมาหาอายุก็จะพอเทียบเคียงได้คร่าวๆ ว, ว่าอายุของโลกก็น่าจะหนีไปจากอุกกาบาต ไม่มากเท่าไหร่อมันเหมือนเป็นวัตถุที่อยู่ในปัจจุบันแต่ว่าเราศึกษามันแล้วทําให้เราย้อนเวลาไปรู้จักอดีตตั้งแต่โลกเกิดมันเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์นะผมก็เลยคิดว่าหลายๆคนเขาก็ชอบสะสมเพราะอย่างนี้แหละอืมพี่ก็เช่นกันครับผมโเคชอบอะไรแบบนี้ก็เออมันข้างในมันคือพอเห็นมันเหมือนเป็นหินนะแต่จริงๆมันคือกล่องเหีบที่เก็บความลับของระบบสุริยะในช่วงต้นๆเอาไว้ อย่างงี้พอจะขายไหมน่าจะได้ละขายสกีบาทังก้อนเมื่อกี้แล้วทีนี้เรามาถึงเรื่องที่แบบมันเป็นหายนะจากมันบ้างดีกว่าที่หนังหลายๆเรื่องก็ต้องมีเหตุการณ์เนี้แบบสมัยผมเนี้ยนะอามาเกดอนเคยดูไหมเออจาไม่ได้ใช่ที่เป็นงูอะคะอันนั้นคนละเร่งะ ขอโทษอันนี้มุกใช่ไหมไม่ใช่มุกมันชื่อคล้ายๆกันมาเกดอนมีตัวเอเหมือนกันอะมาเกดอนเนี่ยมันจะเป็นเออมันจะเป็นวงแอโรสมิธมาร้องเพลงไม่แล้วก็มีบูธวินลิปไปใช่ไหมแบบว่าแบบพยายามจะออกเดจากโลกไประเบิดอุกาบาตนั่นแหละแต่เกิดเหตุอะไรสักอย่างก็จะมีดราม่าไปดูไปดูตอนเด็กร้องไห้เลยโอ้ดี๋ยวไปตามดูมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นงูโอเคมันคนละเรื่องกันอนาคอนดานะฮะ อ่มาเกดอนมั่งอะไรล่ะดีดอิมแพกนี่แบบรูปนี้ชนตูมโลกพังแบบโอ้โหเกิดหานาต่างๆซึ่งทุกวันนี้กระแสความเชื่อหลักที่ว่าไดนโนเสาร์ศูพันมาจากอะไรเนี่ย ม, มาจากการความเชื่อที่ว่าอุกบาทก้อนใหญ่มากพุ่งเข้าชนโลกเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนแต่แต่ถ้าดูรูปบางทีมก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งที่ว่ามันมีหลายๆลูกอะ แบบเต็มเลยอมาเป็นเหมือนแบบหาอุกกาบาตฟุ้งๆเข้ามาอย่างเงี้ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเปล่าจริงๆมันชนหลักๆแล้วที่เรารู้นะฮะมันน่าจะชนแค่ลูกเดียวอลูกเดียวเป็นหลักเลยตุ้มเพราะว่ามันใหญ่มากอะให้ทายว่าใหญ่สักเท่าไหร่คือผมบอกก่อนว่าเส้นผ่านศูนย์กลางโลกนะสมมติโลกเป็นส้มนะฮะเป็นส้มที่ใหญ่มากจากขอบหนึ่งมาขอบหนึ่งผ่นตรงกลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณหน0 0งกิโเมตรหนึกิโเมตร แล้วเส้นผ่านศูงย์กลางอุกกาบาต ท, ที่มาชนโลกจนพังเนี่ยต้องฟังว่าหลักมันประมาณเท่าไหร่1โล10โลร0อโล0 0 0โลหมื่นโลคือจินตนาการความใหญ่มันไม่ออกเพราะว่าเพราะว่าพอเราพูดถึงไดโนเสาร์เนี่ยเราก็จะนึกถึงแหล่งอารยธรรมที่มันเจอซากไดโนเสาร์ใช่ไหมพี่แล้วมันมีตั้งแต่แบบภาคอีสานของไทยไปจนถึงเราดูพิพิธภัณฑ์นในเมืองนอกแบบอเมริกาก็มีซึ่งมันอยู่คนลสซิกโลกอะ่ะคือมันในครั้งนั้นตายเกือบทั้งโลกเลยนะคือสูญพัน์ครั้งใหญ่ สปีชี่เกินเก้าสิเปอร์นมันจะศูนพั น, น่ะงั้นมันก็ควรใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของ โ, โลกเราโลกถ้าโลกลัสมี เ, ออเส้นผ่าศูนย์กลางสักหมื่นสามครึ่งหนึ่งก็สักหมื่นครึ่งหนึ่งของหมื่นหลักพันเนาะจริงๆได้ที่มาชน่ะประมาณการกันจากข้อมูลต่างๆนะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1ิบกิโลอย่างดีดูไม่ใหญ่มากใช่อออใชไหมจริงๆมันใหญ่มากนะสิบโลจากบ้านผมอะ บ้านผมอยู่ตรงซอยนู้นเลยเข้ามาในเมือง10บโลโ<อ>ก้อนเท่านี้ซึ่ง1ิบโลนี่ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วใช่แล้วส่งผลเยอะมากค่ะพอเข้ามาชนเนี่ยความรุนแรงมันเทียบเท่าระเบิดประมานปูนประมาณพันล้านลูกพันล้านลูกนะที่ที่เราเห็นผลกระทบแบบที่ฮิโรชิมานางาสกิอันนั้นแบบนนแค่้นึง่งทีละลูกรวมแล้วสองลูกอันนี้พันล้านลูกโอ้มันมันแบบแล้วพอชนนะฮะ มันก็ทําให้ดินอะไรบริเวณนั้นเป็นหินหล้อมเหลวเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็ตกกลับลงมาเป็นมหาไฟ ấy, แบบบรรลัยกันดังนั้นภาพที่เขาชอบวาดประมาณว่าเป็นไฟตกลงมาหลายๆลูกอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นจินตนาการตอนที่อุกาบาตมันตกลงมาแล้วมันทําให้แบบก้อนต่างๆมันฟุ้งขึ้นไปแล้วมันตกกลับลงมาเป็นไฟรุนแรงแบบนั้นใช่แล้วมันยังไม่จบเท่านั้นนะพวกควันอะไรต่างๆเนี่ยยังไปผสมกับ ฝนทําให้ฝนเนี่ยกลายเป็นฝนกรดอย่างยาวนานแล้วก็เป็นพวกแก๊สพิษอะไรพวกนี้อแล้วหมดจากเฟดไฟบรรลัยกันไปแล้วเนี่ยนะฮะคือเริ่มเย็นลงแล้วเนี่ยพวกคี้เท่าต่างๆเนี่ยนะมันยังคลุ้งอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่นานมากจนโลกคราวนี้หนาวเย็นไปเลยเย็นจัดไปเลยใช่เย็นไปเลยอดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มันควรจะอยู่ได้เนี่ยมันรอบแรกก็ตายไปเยอะแล้วออ <laughs> พอเริ่มแบบเข้าสู่ช่วงแบบเฟดเย็นเนี่ย โอ้โหก็ก็อยู่ยากอีกนะครับปรับตัวกันไม่ได้ต้นมงต้นไม้อะไรที่เคยจะได้สัองเคราะห์แสงก็ก็ตายไปเยอะนะดังนั้นถ้าจะบอกว่าศูนพันเนี่ยด้วยอาจจะไม่ใช่เพราะเพียงแค่อุกบาทแต่ว่าคนผลพวงหลังจากนั้นอีกทีใช่ใช่เพราะว่าถ้าอุกบาทชนทีเดียวมันสิโลอ่ะสิบโลมันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าเล็กๆอ่ะสิบโลก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะฮะอยู่ในกรุงเทพเล็กกว่ากรุงเทพเยอะใช่ไหมก็อยู่ในนั้นแหละตุ้มเข้าไป แต่ผลหลังจากนั้นน่ะยิ่งใหญ่มากแต่ที่พี่บ๋องแต่งเล่ามา ม, มันดูเป็นอดีต ท, ที่แบบห0สิบกว่าล้านปีอย่างเงี้ยเรามีอะไรพิสูจน์ป่ะคะว่าเพราะอุกาบาทหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นถามตรงเลยนะรู้ได้ยังไงใช่ไห ม, มคำตอบก็คือเราต้องมีหลักฐานก่อนถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็จะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ หลักฐานทางธรณีวิทยานะครับเราไปเจอชั้นหินที่เรียกว่า Cretaceous-Paleogene Boundary mm hmm. มันเป็นชั้นบางๆนะที่กระจายอยู่ทั่วโลกทั้งในมหาสมุทร mm hmm. ทั้งบนบกชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นหินที่มีแร่โลหะที่เรียกว่า i r r i ดิเอียมกระจายอยู่เยอะมากนี่แหละคือหลักฐาน i r i d ด u m ียมแปลว่าไอ้เจ้า i r รีดิเอียมเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกปกติ ถูกต้องคือโดยเปลือกโลกปกติแล้วเนี่ยเราเจอเอริเดียมน้อยมากมถามว่าทำไมเราเจอโลหะเอริเดียมน้อยคือจริงๆเราเจอโลหะเนี่ยคือโลกของเราเนี่ยน้องฟางลองนึกภาพมันเป็นก้อนซ้มโอนะอตอนมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันร้อนจัดเลยแล้วอะไรที่มันเป็นโลหะหนักๆนะมันจมเข้าไปตรงกลางนึกออกไหมมันคล้ายๆกับเราเอาของหนักๆไปวางไว้บนน้ำมันก็จมเข้าไปอะไรที่มันเป็นเป็นเบาๆมันก็ลอยขึ้นมาด้านบนเป็นเกาะเป็นเปลือกโลกดงนั้นพวกโลหะต่างๆเนี่ยมัน ก็<น>จะอยู่ตรงข้างในอยู่ข้างในเป็น m, แก่นโลกนะทีนี้เอริเดียมก็เช่นกันถามว่าเอริเดียมในเปลือกโลกมีไหมมีแต่น้อยแต่ไอชั้นชั้นหินที่ผมบอกเนี่ยมันมีเอริเดียมเยอะกว่าที่อื่นบนเปลือกโลกซึ่งไอตัวที่มีเอลิเดียมเยอะแบบนี้ยมันคืออุกบาตทแล้วพอวัดออกมาเนี่ยนะฮะเราค้นพบว่าไอชั้นเนี่ยมันมีอายุไล่เลี่ยงประมาณ65ล้านปีสอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่บอกว่าอุคาบาตมันชนโลกนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะเราค้นพบหลุมอุกาบาตด้วย<อ>หลุมนั้นนะ่ะยังอยู่บนโลกของเรานะอยู่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ไหนคะ่ะอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกฮะ<อ>แต่เราไปเที่ยวดูไม่ได้นะไม่ใช่ว่าแบบอยากไปดูหลุมเอ้ยไปถ่ายรูปไม่ได้เขาปิดไว้อะคะ่ะโนเรื่องมันก็คือว่าตอนตอนที่เขาเจอหลุมะฮะนานแล้วล่ะ บริษัทน้ำมันเขาพยายามจะหาน้ํามันเนะเาะก็ไปสแกนหาพวกแบบความผิดปกติของเ อ, อ่อค่าความเร่งจากความโน้มถ่วงนะฮะ<ฆ>แล้วก็พวกสนามแม่เหล็กโลกอะไรพวกเนี้ยก็ไปเจออะไรบางอย่างที่อยู่ใต้ดินเนี่ยแล้วเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีโครงสร้างเป็นหลุมใหญ่มากที่มันถูกฝังมา น, นา น, นแล้วถูกทับถมไปแล้ ว, ลวหลุมเนี่ยถูกเรียกว่าหลุมซิกซูลุปอยู่ที่เม็กซิโกนะฮะใหญ่มากซึ่งพอไปวัดอายุอะไรต่างๆก็สอดคล้องกับ ชั้นเที่บอกนะครับ Cretaceous Paleogene b o แล้วก็พวกฟอสซิลที่มันสูญพัน์เมื่อหกสล้านปีก่อนอพอดีค่ะหลุมก็เจอชั้นตัวเนี้ที่มันน่าจะเป็นเศษอุกบาทกระจายไปทั่วโลกเนี่ยเราก็เจอแล้วก็ไดโนเสาร์อายุต่างๆมันแมชกันหมดอื ม, มีหลักฐานที่แน่นหนาพอแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ทุกองใช่ก็องประกอบทุกอย่างมันชี้มาทางนี้หมดทั้งหลุมทั้งชั้นหินทั้งอฟอสซิลค่ะก็นั่นแหละคง คงตายหมู่กันจากอุกกาบาทนั่นแหละแล้วอย่างนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยอีกในอนาคตไหมคะเหมือนตอนที่อุกกาบาสนี่ชนโลกแล้วก็แบบไดโนเสาร์สพันธุ์นี่เป็นคนที่เราม่นระวังตัวเหมือนกันนะผลวมันมันมีแต่ว่าโอกาสมันต่ำมากโอกาสที่จะเกิดเรื่องใหญ่มากๆแบบนั้นะมันน้อยมากนะครับมันน้อยแบบน้อยมากๆน้อยจนไม่น่าจะเกิดในช่วงชีวิตมนุษย์ซึ่งเราอยู่ได้ สมมติพอผมรักษาสุขภาพดีมากๆจนผมอยู่ได้พัน 1, ปีอ่ะแต่โอกาสที่จะเจอของในรอบล้านปีมาชนเนี่ยมันต่ํามากนะทุกท่าฟังดังนั้นก็อย่างแรกเลยคือโอกาสต่ํามากและข้อสองคือถ้ามันเกิดจริงๆคือเราเจอก้อนนี้จริงๆเนี่ยมันมีหน่วยงานที่คอยจับตาของพวกนี้ อ, อยู่นะเขาเรียกหน่วยงานเฝ้าระวัง near earth object นะฮะก็คือพวกวัตถุใกล้โลกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกพวกนี้เขาก็มีอยู่ละอทีนี้ถามว่า แล้วผมเคยได้ยินข่าวอุกกาบาตมันพุ่งเข้ามาในโลกมันมีข่าวนะสมัยปี2013นะช่วงประมาณนั้นนะมันมีข่าวว่ามีอุกกาบาตก้อนหนึ่งพุ่งเข้ามาที่รัสเซียแล้วมันก็ทำให้เกิดแบบช็อกเวฟกระจายออกมาคือหมายความว่ามันวิ่งเร็วมากพอเร็วมากเนี่ยอากาศมันมันร้อนจัดมันก็มันก็พอร้อนจัดมันก็ขยายตัวเนาะ ทีนพอใหญ่ตัวแรงมากเนี่ยมันก็ทําให้เกิดช็อคเวฟดันเอาพวกตึกรามบ้านช่องกระจกเนี่ยเสียหายแต่ตูมแบบดูใหญ่โตมาก อ, อ, อุกบาทเชยยบิงส์นะท่าผม<อ>นะตอนนั้นก็ตกใจกันแล้วคนก็บอกว่าอยถ้าเป็นเรื่องแบบเนี้ทําไมหาไม่เจอล่ะคําตอบคือมันเล็กมากฮะคือก้อนแบบนี้มันไม่ได้ใหญ่เป็นหลัก10เมตรอะไรเงี้ยนะมันใหญ่มันก้อนเล็กมากอ่ะดังนั้นอันนี้มันไม่ได้แค่แบบมนุษย์ยังไม่ได้เป็นอะไรในระดับศูนพันนะฮะ mm hmm. แต่ถ้าเจอก้อนระดับ หลักกิโล1ิกิโลแบบนี้เราเฝ้าระวังกันอยู่แล้วแปลว่ามันอาจจะมีอุกกาบาต ท, ที่เราไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเข้ามาก็ได้แต่<ก>ผลกระทบมันอาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขนาดมนุษย์ศูนย์พันแต่ถ้าตกใส่คนก็ก็ส่งผลเยอะเพียงแต่ว่าโอกาสมันต่ามากอืใช่อะไรที่โอกาสต่ามากเนี่ยเราจะต้องมองเป็นสิ่งที่น่าจะไม่เกิดไว้ก่อน<ะ>ชีวิตก็จะได้ดาเนินต่อได้ ถ้าสมมติว่าไม่เกิดไม่เกิด ừ, เหตุการณ์ <ừ, S 1> อุกกาบาตชนโลกเมื่อหกสิบกว่าล้านปีก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะตอนนี้อันเนี้ยมันไม่ใช่ผมคิดนะอื <ừ, S 1> แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคิดกันมาว่าถ้ามันไม่ชนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นออืโลกของเราเนี่ยหนึ่งเลยนะฮะสิ่งมีชีวิตที่ครองโลกทุกวันเนี้ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้นะอื <ừ. S 1> เพราะถ้าไดโนเสาร์ไม่สูญพันุเนี่ยคิดว่ามนุษย์จะได้โผล่ออกมาไหม คือในช่วงที่ไดโนเสาร์ยังอยู่เนี่ย ม, สยมยีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วแหะในยุคนั้นก่อนที่ก่อนที่อุกกาบาตจะชนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีแต่ว่ามักจะเป็นพวกตัวเล็กๆลักษณะคล้ายๆหนูอตัวเล็กๆแล้วไอ้พวกตัวเล็กๆเนี่ยก็อาศัยอยู่ในรูแล้วก็มีขนซึ่งช่วยในการปรับอุณหภูมินะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาโลดแล่นโดดเด่นเหมือนกับมนุษย์ทุกวันนี้อืดังนั้นเป็นไปได้นะว่าถ้าอุกกาบาตไม่ชนโลกเนี่ย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 มันมีสมมุติฐานนึงไม่รู้เคยได้ยินกันหรือเปล่าเป็นสมมุติฐานนะฮะไม่ใช่ทฤษฎีด้วยซ้ําำเพราะยังไม่มีหลักฐานแต่แค่มันมีความเป็นไปได้เขาเรียกว่าแผ่นสเปอร์เมียไฮโปทีิสหรือสมมติฐานแผ่นสเปอร์เมียมั น, นคืออะไรคะเขามองว่าอุกกาบาตอาจจะเป็นยานอาวกาศที่คอยพกเอาสปอร์สิ่งมีชีวิตุคดึก ด, ดื่บันเนี่ยกระจายไปทั่วเอกภพอ๋อหมายความว่าเป็นเหมือนพาชนะที่มันมาด้วยกันแล้วก็ เอาสิ่งชีวิตมาอย่างงี้ยเหใช่คือหมายความว่าสมมุติฐานนี้เชื่อว่าชีวิตบนโลกอาจจะไม่ได้เกิดจากบนโลกหรอกทฤษฎีนี้เชื่อว่าชีวิตเนี่ยเกิดได้ทั่วไปเลยในเอกภพแล้วมันเดินทางไปมาหาสู่กันผ่านสปอสปอคือแบบคล้ายๆเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ที่ทนนะฮะเกาะอยู่ตามอุกกาบาตแล้วพอมันพุ่งเข้ามาในโลกเนี่ยอมันก็เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตค่อยๆเติบโตลุกลามมาอย่างทุกวันนี้ทฤษฎีนี้ถามว่ามีหลักฐานไหมคําตอบคือไม่ดังนั้นมันก็แบบ คือสมมติฐานนี้ยังไม่มีหลักฐานก็เป็นคแค่ไอเดียอย่างหนึ่งคือสมมติฐานนี่มันน่าสนใจเพราะมันบอกได้ว่าชีวิตบนโลกเนี่ยมาจากไหนแต่มันก็ไม่ได้บอกอยู่ดีว่าชีวิตแรกเกิดมาอย่างไรเนือ่องไหมฮะแล้วก็ ม, มันยังต้องการหลักฐานอีกมามมมมหาสารมันถึงจะเป็นทฤษฎีที่แข็งแรงตอนนี้ก็เป็นแค่แฟนตาซีอยู่นะแผนสเปอร์เมีย ไม่ไม่เคยมองจากมุมนี้มาก่อนเลยคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าอเออมันทําลายล้างแต่โอ้พอมองอีกมุมหนึง่งมันก็มีอีกมิติหนึ่งเหมือนกันใชไ่ไม่แน่นะฮะในอนาคตซึ่งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ถ้ามีหลักฐานมามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่มีหลักฐานมันก็เลยกลายเป็นแค่ไอเดียที่อาจจะฟังดูแฟนตาซีอยู่ใช่ในอนาคตก็ไม่แน่เป็นยังไงบ้างคะ <laughs> พอฟังแล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเริ่มชอบอุกบาลเหมือนที่พี่บองแตปงชอบอุกบาลก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่าหนึ่ง หนึ่งเหตุการณ์ที่มันทำลายล้างหรือว่าเป็นจุดจบของอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้น ของอีกอย่างหนึ่งได้เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวอีกหลาคงมีหนังที่อุกกาบาตไม่ได้เป็นแบบว่าอะนะอย่างเดียวใครที่ฟังตอนนี้แล้วรู้สึกยังไงก็แชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นของคุณเข้ามาได้ที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราตามอ่านกันค่ะก็ฝากกด Subscribe นะคะ YouTube channel ขอ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามรายการของพวกเราได้ในทุกๆช่องทางเอ่อพอดแคสต์เเเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่วงแปวนมีของเล่นมาด้วยค่ะพันนี้ใช่อันนี้คืออะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าก้อนเท็กไทเท็กไทสเนี่ยมีความไม่ใช่อุกบาทนะอืออย่าสับสนอเท็กไทเนี่ยไม่ใช่อุกบาทอุกบาทคือของที่จะมาจากนอกโลกแล้วตกมาบนพื้นโลกค่ะแต่เท็กไทสเนี่ยมันคือของบนโลกนี่แหละแต่สัมพันธ์กับอุกบาทคืออุกบาทตอนมันพุ่งมาชนโลกครับน้องฟังบางทีมันชนดินชนทรายชนอะไรพวกเนี้อมันก็เกิดร้อนเกิดการกระแทกเนาะอไอ้พวกเนี้ยมันก็ กระเด็นขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศโล่แล้วตกกลับลงมาอีก oh. มาเป็นก้อนนี้แหละสีสันของมันก็จะแตกต่างจากหินโดยรอบพอเคาะดูมันก็จะเป็นเสียงกิ้งกิ้งกิ้งคล้ายๆแก้วนะ mm. อ่าหรือถ้าเท็กไทมันบางพอเราลองเอาไปส่องตามไฟตามอะไรเงี้ยมันก็จะโปร่งใสด้วยนะครับ mm. คือแสงก็พอจะทะลุผ่านได้บางส่ว น, mm. นทีนี้ถ้าทัดเจอเนี่ยก็อาจจะเห็นเป็นรูปหยดน้ําแบบนี้คล้ายๆกับมันกระเด็นขึ้นไปใช่ปะพอตกลงมามันก็อยากเป็นหยดน้ําแบบนี้ เป็นสวยๆแบบนี้นี่ผมคัดเลือกก้อนมานนะแล้วก็แบบว่าที่บ้านมีอีกเยอะเขามีอีกเยอะชอบอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแม่ไม่ค่อยชอบแม่จะรู้สึกว่ารกมากแต่ว่ามันก็จะมีก้อนแบบที่เป็นก้อนกลมๆ อ, อย่างนี้ก็มีเหมือนกันเป็นรูปหยดน้ำอะไรแบบนะั้นมีหลายละมีรูปทรงที่หลากหลายนะอบางคนเขาก็ไปขายนะแต่ราคาไม่ได้สูงมากหลักร้อยอะไรหรือหลายๆร้ยอยเท่านั้นเอง อ, นะอุกบาทเนี่ยราคามันจะแพงกว่าเพราะว่าตัวมันเป็นเหล็กทั้งก้อน เหล็กทั้งก้อนเนี่ยไปซื้อก้อนเหล็กจริงๆมาก็แพงและยิ่งเป็นอุกบาตก็อาจจะยิ่งแพงขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่มนุษย์สร้างไม่ได้นะอะตัวอุกบาตเนี่ยน่าจะน่าจะโดนหล อ, อกงก่ายกว่าแต่จริงๆอุกบาตเนี่ยหลายๆที่เวลาซื้อเนี่ยเขาก็มักจะบอกที่มาที่ไปนะว่าไ ป, ไปเก็บมาจากแหล่งไหนนะครับมีหลายแหล่งฮะก็ใครสนใจเรื่ อ, องพวกนี้ก็อาจจะต้องหาความรู้นิดนึงซึ่งมันเป็นวัตถุที่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของก็คือคนแบบ ไเามด้คือถ้าเราเจอวัตถุโบราณใช่ปะวัตถุโบราณที่มนุษย์สร้างอ่ะให้แบบเนี้ยก็จะเป็นสมบัติของประเทศนั้นนใช่ไหมเพราะว่ามนุษย์ในประเทศนั้นสร้างแต่ของแบบเนี้ยตกลงมามาจากนอกโลกด้วยกฎหมายแล้วอ่ะถือว่าคนเก็บได้เป็นเจ้าของซื้อขายได้ไม่ผิดพอดีชอบงี้ก็เลยดูเฮ้เก็บไว้ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราเจอสมมติเฮ้ยไม่ไม่ผิดนะถ้าเจอตามก้อนตามอะไรเงี้ก็ตกลงมาใส่บ้านเงี้ยจรองจริงๆถือว่าแบบเอาไปขายได้นะ เขาจริงเพราะว่า mm hmm. แบบถ้าอุกบาทตกใส่บ้านเนี่ยหนึ่งมีสตอรี่ข้อสองคือมีก้อนอุกบาทซึ่งมีคุณค่า mm hmm. นะครับขอแค่ไม่ต้องโดนหัวเนี่ยถือว่าโชคดีครับสระมัณนั้น The Standard Podcast Eye Ears Opening for your ears.